คาถารวมวินิตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเรื่องภิกษุสําคัญว่าได้บรรลุหนึ่งเรื่องเรื่องเที่ยวบินธบหนึ่งเรื่องเรื่องอิริยาบถสี่เรื่องเรื่องธทมในที่รับสองเรื่องเรื่องภิกษุผู้ได้รับการบํารุงหนึ่งเรื่องเรื่องความเพียรหนึ่งเรื่องเรื่องความร้อนใจหนึ่งเรื่องเรื่องปาราความเพียรหนึ่งเรื่อง เรื่องอดกลั้นเวทนาสองเรื่องเรื่องพยากรณ์มรรคผลสามเรื่องเรื่องห้ามการหนึ่งเรื่องเรื่องหลีกไปหนึ่งเรื่องเรื่องมังสะเปสิเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องนิชะวิเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสติลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสูจิลมเปรต เพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องสุจักะเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตกินคูดเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องมังคุลิเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่องเรื่องกภันทะเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องนักบวชทำกรรมชั่วในศาสนาของพระพุทธเจ้ากสปะห้าเรื่องคือ เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นศิกขามนาหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นสามเณรีหนึ่งเรื่องเรื่องการสู้รบในกรุงราชะครืหนึ่งเรื่องเรื่องอรหันตโสพิตะ ร, รึกชาติได้500กับหนึ่งเรื่องเรื่องอยู่ป่าหนึ่งเรื่องเรื่องอุปชาสองเรื่องเรื่องละสังโยชนึ่งเรื่อง เรื่องพิสูจผู้อยู่ในวิหารหนึ่งเรื่องเรื่องรมไม่ยากหนึ่งเรื่องเรื่องไม่กลัวความตายหนึ่งเรื่องเรื่องความประกอบถูกต้องหนึ่งเรื่องเรื่องประกอบความเพียรหนึ่งเรื่องเรื่องพรามห้เรื่องเรื่องอยู่ครองเรือนหนึ่งเรื่องเรื่องความยินดีหนึ่งเรื่องเรื่องอัตถิกะสังขาลิะเปตหนึ่งเรื่องเรื่องมังสะปินทัพ เปรตหนึ่งเรื่องเรื่องอสิลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องอุสุลมเปรตเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องกุมพันระเปรตหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตจมหลุมโคดเพศชายหนึ่งเรื่องเรื่องนิชวิเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่องเรื่องโอกิริณีเปรตเพศหญิงหนึ่งเรื่อง เรื่องเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีหนึ่งเรื่องเรื่องเปรตมีรูปเป็นสัมมเนเนหนึ่งเรื่องเรื่องแม่น้ำตะโปธาหนึ่งเรื่องเรื่องได้ยินเสียงช้างลงน้ำหนึ่งเรื่อง